เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวใหญ่ที่ประเทศอังกฤษเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึง่งเป็นแม่ลูกสองอายุส1เอเป็นข่าวใหญ่ก็เพราะว่าเธอไปฆ่าคนนะถึง3คนในเวลาไล่เลี่ยกันแล้วก็พยายามฆ่าอีกสองคนนะแต่ว่าสองคนหลังนี่ไม่ตายวิธีการก็คือใช้มีดนะ ใช้มีแทงกระนำบางคนเธอก็ไม่รู้จักนะแต่บางคนนี่ก็ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเธอดีนะให้ที่พักแต่ว่าไม่รู้ว่าเธอไปโกรธเคืองหรือว่ามีความผิดปกติอย่างไรแล้วก็ไปแทงเขาตายในเวลาไล่ไล่กันทางกันเจวันบ้างสิบวันบ้าง คนสุดท้ายที่ถูกเธอแทงนี่ก็น่าสนใจนะเป็นคนแก่กำลังเดินจูงหมาเล่นบนถนนอยู่ดีๆเธอก็ลงจากรถแล้วก็ไปไปแทงจากข้างหลังนะจนเหยื่อคอร้ายนี่ก็ล้มลงไปเธอก็จ่วงแทงไปอีกนะ ทั้งที่ลาตัวที่แขนที่ขา40แผลแล้วก็หนีไปกะว่าจะให้เขาจมกองเลือดตายไปเองแต่ว่ามีคนไปช่วยไว้ได้ทันก็เลยว่าเจ็บหนักนะอยู่ห้อง ICU หลายวันก็มีนักข่าวไปถามคุณลุงคนนี้นะว่าตอนนั้นรู้สึกยังไรแกก็บอกว่า ตอนนั้นคิดว่าตายแน่แล้วนักขาวก็ถามต่อไปว่าถ้าเธอเจอผู้หญิงคนนี้เธอจะพูดอะไรกับถ้าเจอถ้าเธอถ้าเขาเจอผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะพูดอะไรกับเธ อ, อคุณลุงก็จะไม่ได้โกรธเลยนะเพียงแต่อยากจะถามว่าทำไมถึงทำอย่างนี้มีเหตุผลอะไร ไม่มีน้ำเสียงองความโกรธหรือว่าความอาฆาตเพียบเลยมีแต่ความสงสัยว่าทําชั้นได้ยังไงนะในเมื่อก็ไม่ได้รู้จักกันเลยอรที่มันน่าสนใจกั น, นั้นก็คือนักข่าวก็ถามว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาบ้างหรือเปล่าคุณลุงคนที่แกก็ตอบน่าสนใจก็ตอบว่ามันก็ทำให้ แกได้คิดนะว่าเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่งเดินเล่นอยู่บนถนนก็อาจจะโดนรถแล่นทับตายก็ได้อะไรอะก็เกิดขึ้นได้กับชีวิตนะไม่มีความแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีที่สุดให้ลองคิดดูนะว่าถ้าเราเป็นคุหลุงคนนี้เนี่ยเราจะ คิดเราจะรู้สึกอย่างไรนะก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่านะว่าไม่รู้ไปทำข้อกรรมอะไรมานะทำไมถึงต้องมาเจอแบบนี้อาจจะโกรธแค้นขุ่นเคืองหรือว่าหวาดผวาเสียใจแต่ว่าคุณลุงคนนี้แกไม่ได้มีท่าทีหรือความรู้สึกอย่างนั้นเลย แกกับมองว่ามันทำให้แกได้คิดนะไม่ประมาทกับชีวิตแล้วก็ใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะอันนี้เรียกว่าเป็นนะเป็นคนที่ฉลาดนะในการที่สามารถจะมองหาประโยชน์จากเหตุการณ์ร้ายๆ น, ะนี่เกิดตายชีเดินนะแต่ว่า ไม่มาหมวเสียใจไม่มามัวคับแค้นใจแต่กลับมองว่าตัวเองได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้อย่างไรบ้างคนเราเนี่ยเมื่อเจ็บตัวแล้วนะถ้าหากว่าขุนเคืองใจมโมโหหรือว่าโกรธแค้นนะมันก็ไม่ใช่แค่เจ็บตัวเดียวเจ็บใจด้วยไม่ใช่กลายเป็นทุกข์นะใจก็เป็นทุกข์ด้วยแต่คนฉลาดเนี่ย เมื่อเขาเจอเหตุร้ายกนะ็จะไม่ซ้ำเติมตัวเองนะเขจะไม่ก่นดาชะตากรรมนะแต่ว่าเขาจะรู้จักหาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะในทํามองเดียวกันคนที่ฉลาดเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็จะไม่มัวบนพึมพำตีโพตีภายนะแต่เขาจะมองว่าเออความเจ็บป่วยนี่มันบอกอะไรเขา ความเจ็บป่วยมาเตือนให้เขาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพความเจ็บป่วยมาเตือนให้เขาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ออกกำลังกายมากขึ้นหรือว่าทำจิตใจให้ผ่อนคลายเพราะว่าความเครียด น, นี้ก็มีส่วนทำให้เจ็บป่วยได้หรือว่าอาจจะมองเห็นธรรมะที่ลึกซึ้งไปกันนั้น ก็คือเห็นว่าเออสังขารของเรานี่มันมันไม่เที่ยงนะความเจ็บป่วยมาเตือนว่าอีกไม่นานนะเร า, า จ, จะเจ็บป่วยหนักกว่านี้นะนี่แค่มาเตือนเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอย่างที่ท่านเจ้าพุทธท่าบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยนี่มาเตือนให้เราฉลาด ฉลาดในเรื่องอะไรฉลาในเรื่องสังขารในเรื่องความจริงของชีวิตนะว่าสังขารของเรานะีมันไม่เที่ยงนะมันเต็มไปได้วยทุกข์มันพร้อมจะเสื่อมมันพร้อมจะสลายไปได้ตลอดเวลาและจริงมันก็เสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอนะความเจ็บปวดก็สอนทําให้กับเราได้นะอย่างที่พูดเมื่อวานเ ม, เมื่อเช้าว่าไอ้ทุกข์นี่มันมีประโยชน์นะสามารถจะผลักให้เราเข้าหาธรรมหรือว่าสามารถจะ ทำให้เราได้เห็นธรรมได้อันนี้ก็เป็นเป็นความฉลาดนะในการมองแทนที่จะถูกกระทำจากขครากรรมหรือว่าเหตุการณ์ที่รลาร้ายเราก็หันมามองและใช้ประโยชน์จากมันวิธีของคุณลุงคนนี้ก็เรียกว่าแกมองแบบมองบวกคิดบวกได้เหมือนกันนะ เขาว่าคิดบวกฟองบวกคือการรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งที่มันแย่ๆถ้ามองแบบนี้ได้กําไรนะถือแม้ว่าจะเจ็บตัวเกือบตายนะแต่ว่าได้ธรรมะได้ได้ข้อเตือนใจซึ่งมีคุณค่าอันนี้ก็หักกรบลบนี้กันแล้วก็อาจถือว่ากําไรแต่คนส่วนใหญ่นี่ไม่ไม่ยอมที่จะหากําไรจากเหตุการณ์นี้นะก็มีแต่ซ้ําเติมตัวเองให้หนักขึ้น นะกลุ่มอกกุ่มใจไปกันใหญ่เลยาการคิดบวกเนี่ยนะถ้าเรารู้จักคิดนะไม่ว่าเจออะไรนะ๋ยวว่าแต่เจอของดีเลยเจอของที่มันแย่นะเราก็ได้ประโยชน์จากมันจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเกิดครอะกรรมหรือเหตุร้ายหรืออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเราฉลาดเนี่ยเราจะไม่ไม่ไม่มาโมนเสียอกเสียใจ หรือไม่มามัว์คิดว่าเนี่ยเรามีโชคเราเราซวยหรือว่าเราโดนคราะกรรมลองตั้งสติให้ดีบางทีการเวลาจะบอกเราเองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นประโยชน์สิ่งที่เราเรียกว่าคราะกรรมนี่มองในแง่หนึ่งมันก็มีประโยชน์นะมีหนุ่มคนหนึ่งนะ เป็นชาวยูเครนยูเครนนี่ก็ช่วงนี้เราก็คงได้ยินข่าวนะเพราะว่ามันมีเหตุต่อเนื่องกันมาสามสี่เดือนละมีการประท้วงกันแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับประท้วงนะก็คือว่าเขาเป็นคนยูเครนแล้วก็อบพยพหนีความยากลำบากมามาอเมริกาเมื่อยี่สิปีที่แล้ว นะอายุแค่1ิเองนะความรู้ก็ไม่ไม่มีมากภาษาอังกฤษก็ไม่ประสีภาษาเลยเพราะว่ายู่เครนนี่มันใช้ภาษารัเสเซียแล้วกะว่าจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวก็มาแบบเสือพื้นมอนใบจริงๆเลยนะเหมือนกับคนจีนที่มาเมืองไทยสมัยก่อนมาตาดาบหน้ามากับแม่ปอกว่ามาไม่ทันไรแม่ป่วยตรวจไปตรวจมาแม่เป็นมะเร็ง ก็เรียกว่าใจหายทีเดียวแต่ประกบว่าการที่แม่เป็นมะเร็งนี่เป็นข้อดีนะเพราะว่าในอเมริกานเนี่ยเขาก็มีสวัสดิการให้กับคนป่วยนะสวัสดิการคนพิการนะเพราะมันมีระบบประกันสังคมมันมีระบบสวัสดิการสังคมก็กลายเป็นว่าอนอกจากจะได้รับเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลรักษา คนป่วยแล้วนี่ครอบครัวนี้ก็ยังได้ได้คูปองนะคูปองสําหรับซื้ออาหารไม่ให้คูปองสําหรับแลกอาหารและฟู้ดสแตมปตอนนั้นเนี่ยไม่มีเงินไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีทองเลยฮะธามากินอะไรก็ไม่ได้ก็สายฟู้ดสแตมปหรือว่าคูปองแลกอาหารเนี่ยช่วยเลี้ยงครอบครัวช่วยเลี้ยงแม่กับลูกและความเจ็บป่วยของแม่นี่ก็กลายเป็นของดีนะ ก็เป็นเคราะห์ดีเหมือนกันที่ทําให้แม้ว่าหางานทําไม่ได้แต่ว่าก็มีอาหารเอาไว้ยังยังชีพได้เขาขยันนะเขาก็หนุ่มคนที่แก่ขยันก็หาทางเรียนภาษาอังกฤษ จ, จนชํานาญแล้วตอนหลังก็หาความรู้สนใจคอมพิวเตอร์ก็ค้นขะค้นคว้าหาความรู้ทางคอมพิวเตอร์เองตอนหลังก็ไปทํางานกับบริษัทยู o ูก็ทํางานอยู่เป็น10ปีนะแล้วก็ ภายหลังก็ออกมาแล้วก็จะไปสมัครทำงานกับซัคเกอร์เบิร์กนะซัคเกอร์เบิร์กนี่รู้จักใช่ไหคนที่สร้างเฟซบุ o กบอกว่าสมัครไม่ได้เลยตกงานเลยนะตกงานอยู่2ปีก็ไม่มีอะไรทำนะเขาก็เลยใช้เวลาว่างเนี่ยคิดโปรแกรมขึ้นมาบอกว่าโปรแกรมที่เขาคิดนี่มันกลายเป็นที่นิยมนะ เออชื่อหลายคนคงรู้จักนะชื่อ Whatsapp นะ a t s a p p นี่เรียกว่าดังกว่า l ล n e นะเมืองไทยนี่เรานิยม l ล n e แต่ว่าทั่วโลกนี่เขาจะนิยม Whatsapp มากกว่ามีสมาชิกถึงเกือบ500ล้านคนอันนี้เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เมื่อสักเดือนที่แล้วนเนี่ยเนะสักกระเบิกเนี่ย o ฟซกเนี่ยก็ไปซื้อขอซื้อกิจการของไอ้หนุ่มคนเนี้ยก็คือมาเป็นเจ้าของ Whatsapp เขาซื้อด้วยจํานวนเงินเท่าไหร่รูนะ้หมหนึ่งหมืนเก้าพันล้านเหรียญหนึ่งหมืนเก้าพันล้านเหรียญนะสิบเก้าพันล้านนะก็เป็นแสนล้านบาทนะอันนี้มองให้ดีนะการที่เขาตกงานเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยทาให้เขาเนี่ยมีเวลาในการที่จะทําโปรแกรมนี้ถ้าเกิดว่าซักกะเบลล์รับเขาทํางานนะเขาคงไม่รวยถึงถึงวันนี้นะ แต่ว่าพอเขาตกงานไงเขาก็เลยมีเวลาที่จะคิดโปรแก ร, รมคิดแอ ป, ปนะมันไม่ใช่โปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันให้การที่เขาตกงานนี่กลายเป็นของดีไปแทนที่ซักกระเบอืองนี่จะได้เขาเป็ปนลูกน้องก็ปรากฏว่าซักกระเบอืองต้องยอมจ่ายเงินมหาศาลเลยให้กับให้หนุ่มคนนี้นะและ้วคนหนุ่มคนนี้ก็เลยกลายเป็นมหาเศรษฐีไปละเพราะการที่ตกงาน พอส ก, กเบอรไม่รับเขาทำงานไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นคอรอนี้บางทีมันกลเป็นโชคนะเมื่อเรามองย้อนหลังไปอย่างเฉพาะกรณเีของของหนุ่มคนนี้เนี่ยชื่อชื่อจองคุมเลยเนะอ่านยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษการที่แม่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยก็ทาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีอาหารนะประทังชีวิตไปได้ทั้งที่ไม่มีงานทา าอายุแค่16เองนะะการที่เขาตกงานก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะคิดโปรแกรมที่นํนำความร่ำรวยมาให้แกเขามากมายอันนี้ก็เป็นอุทาหารณ์นะว่าคนเราเวลาเจอเหตุลายหรือเจอเจอสิ่งที่เราเรียกว่าครอกกรรมเนี่ยนะบางทีมันอาจจะเป็นโชคที่จำแรงมากก็ได้เราไม่รู้หรอกนะ สิ่งที่มันเป็นเคราะห์นะมันกาจะเป็นโชคในเวลาเดียวกันก็ได้แต่ว่าโชคมันก็ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญ น, นะมันก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามด้วยเช่นถ้าตก ง, งานแล้วอยู่เฉยเไม่ทําอะไรเนี่ยนะมันก็คงจะประสบความสําเร็จไม่ได้แต่เมื่อตก ง, งานแล้วก็ทําให้มีเวลาว่างทําให้สะมาคิดค้นแอปพลิเคชันคิดค้นสร้างนวัตกรรมนะมันก็ทําให้เกิดความสําเร็จได้ สิ่งที่เรียกว่าหรือแม่บางแม่จะว่าไปแล้วเนี่ยบางทีไม่ทําอะไรเลยเนี่ยไอ้ครอนนี่ก็กลายเป็นโชคได้ง่ายๆนะอย่างก็มีมีเรื่องเล่าซึ่งว่ากันว่าลีเกิลยูเนี่ยนายรัฐมนตรีอดีตนายรัฐมนตรีสิงคโปร์ที่ชอบมันเป็นเรื่องเล่าสั้นๆนะพวกเราจะเคยได้ยินนะเป็นเรื่องของเจ้าของฟาร์มนะเลี้ยงม้าก็เลี้ยงม้าที่ ราคาแพงมากวันนึงเนี่ยม้าในข้อข้าตัวเนี่ยมันหายเข้าไปในป่าหดมาตัวนี้เป็นมาที่ราคาแพงมากชาวบ้านเจญิงก็บอกว่าเออเจ้าของฟาร์มนี่นะซวยแต่ปรากฏว่าวันต่อมาไอ้ม้าตัวนี้ก็กลับมาจากป่าและแถมพาตัวเมียกลับมาด้วยเป็นมาป่าที่เรียกว่า มีลักษณะสวยงามมากแล้วก็มีเรี่ยวแรงเขาก็ว่าโชคดีนะเออได้มา้าป่าลักษณะดีมาตัวหนึ่งได้มาแล้วนี่ก็เป็นหน้าที่ของลูกชายก็จะต้องควบคุมบังคับมานี้บอกว่ามา้าไอ้ม้าป่านเนี่ยมันสบัตดิลูกชายจนกระทั่งตกลงมากระแทกพื้นขาหักชาวบ้านก็บอกว่า โชคร้ายนะไม่กี่วันต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่จากในเมืองมาเพื่อเกณฑ์ทหารเพราะว่าเกณฑ์ชายหนุ่มทุกคนเลยในหมู่บ้านนั้นยกเว้นลูกเจ้าของฟาร์มที่ขาหักไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปลบชาวบ้านก็เลยว่าเอ้ยนี่โชคดีนะเนั่นเห็นไหมโชกับครอ น, นี่มัน มันอยู่ใกล้กันมากหรือว่ามันมันก็เป็นอันเดียวกันนะแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นถือว่าเป็นเคราะหนะ์แต่พรุ่งนี้กลายเป็นโชควันนี้เป็นโชคแต่พรุ่งนี้กลายเป็นเคราะห์นั้นถ้าเรามองเห็นแบบนี้เนี่ยก็จะได้ไม่ไม่ไปตื่นตนกนะเวลาเราเจอเคราะห์หรือเจอเหตุร้ายเพราะว่ามันอาจจะเป็นโชคที่แฝงเล่นกันได้ ในทางหนึงนะ่งเวลาเราเจอโชคนะก็อย่าไปดีใจเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นเคราะห์ก็ได้อคนที่โชคดีนะพบลักได้อย่างรวดเร็วนะอันนั้นมันอาจจะกลายเป็นเคราะห์ในเวลาต่อมาก็ได้อาจจะคนบางคนนี่นะหาแฟนไม่ได้เลยนะตัวอายุยี่สิบสามสิบหรืออาจจะเพอสี่สบนะใครๆก็ว่าโชคไม่ดีนะแต่ปรกฏว่าพอไปได้แฟนเข้าโอเป็นแฟนที่ดีก็ได้นะ ไม่ต้องอย่ประมาณนะไอ้โชคเนี่ยที่เรามีเนี่ยอาจจะกลายเป็นเคราะห์เมื่อเวลาผ่านไปไอ้ส่วนเคราะห์ที่เราเจออาจจะกลายเป็นโชคก็ได้อันนี้มันเป็นความไม่แน่นอนนะที่เราอ่าก็จะเป็นข้อเตือนใจของเราได้แต่ทั้งหมดนี้ต้องอาสายการการที่เรารู้จักมองนะเราจะรู้จักมองได้ก็ต้องมีสติไม่หวั่นไหวไปกับเหตุการณ์ต่างๆง่ายๆเท่าไรามีสติเราก็ สามารถใช้ปัญญาพิจารณาหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าดีหรือร้ายไม่ว่าบวกหรือลบอันนี้ที่เขาเรียกว่าคิดบวกนะที่เราได้พูดกันเมื่อตอนบ่ายคิดบวกยังมียังยังมีความหมายไปถึงว่าเวลาเราเจออะไรเจอเราพบความสูญเสียเราก็ไม่ได้ไปจดจ่ออยู่ความสูญเสียแต่ว่าเราสามารถที่มองเห็นด้านที่ดีของสิ่งที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อสักห้าหเดือนก่อนนี่ก็มนะีข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะแต่เป็นผู้หญิงฝ่ายดีนะไม่ใช่แองกฤษนะแต่เป็นไต้หวันผู้หญิงคนนี้เนี่ยแเกิดมาพิการพิการทางสมองนะ่พูดไม่ได้สื่อสารด้วยการเขียนการเดินเหินก็ทำได้ลำบากเพราะว่าไอ้สมองส่วนที่คุมเรื่อง เรื่องเรื่องกรามเนื้อเนี่ยมันเสียไปคนอย่างนี้นี่ก็น่าสงสารนะจะเรียกว่าแต่ว่าเธอกลับไม่ได้ทำตัวให้น่าสงสารเลยนะกลับตัวกลับทำตัวให้เป็นแรงบันดาลใจกับผู้คนเพราะว่าเธอเนี่ยภาคเ พ, พียงพยายามจนกระทั่งเรียนจบปริญยญยาเอกนะจากหมหาทายมีชื่อของอเมริกานะ UCLA ที่แคลิฟอร์เนียนะหมายเวลาแห่งแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอ g เจลิสเปริยญยาเอกสาขาศิลปศาสตร์ในการจบปลิยญาเอกจำหมายแถแบบนี้นี่ขนาดคนที่มีร่างกายปกตินี่ก็น้อยคนที่จะทำได้นะแต่ว่าเธอี่พิการเนี่ยกับมีความสามารถเหนือกว่าคนทั่วๆไปด้วยซ้ำทั้งที่ขาดแคลนหลายอย่างเธอได้รับเชิญให้ไปบรรยายตามที่ต่าง คราวหนึ่งก็ไปบรรยายที่โรงเรียนมธัธยมแห่งหนึง่งที่ที่ไต้หวันนะนะบรรยายเสร็จบรรยายด้วยการเขียนนะเขียนใส่กระดานบรรยายเสร็จก็มีคนถามเป็นนักเรียนถามเธอว่าคุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรนะคุณน้อยใจไหมที่พิการมาแต่กําเนิดนะเป็นคําถาม ท, าที่ตรงมากนะแล้วก็ตรงเกินไป ที่ประชุมนี้ก็เงียบกลิบเลยนะเจอคําถามนี้เพราะว่าปกติเขาไม่ถามคนที่การกันแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกวันไว้อะไรนะเธอก็เขียนที่กระดานถามว่าก็เขียนว่าเนี่ยฉันรู้สึกหรือฉันมองตัวเองอย่างไรก็เธอก็เขียนทีละข้อทีละข้อนะนะข้อแรกนี่ฉันเป็นคนน่ารักนะข้อสองนี่ฉันมีขาที่สวยงาม ข้อสพ่อแม่รักฉันนะข้อ4ี่พระเจา้าขอรักฉันเธอเป็นคริสต์นะข้อ5ฉันเขียนหนังสือวาดรูปได้ข้อ 6. ฉันมีแมวที่น่ารักข้อที่7 เ, เนี่ยเธอสรุปนะซึ่งทําให้คนประทับใจมากมันเป็นเคล็ดลับของความสําเร็จของเธอรวมทั้งทําให้เธอเป็นคนที่มีความสุขได้ทั้งที่พิการเธอเขียนว่าฉันมองสิ่งที่ฉันมี ฉันไม่มองสิ่งที่ฉันขาดอันนี้เป็นหัวใจเลยนะของความสําเร็จและความสุขของเธอนะมองสิ่งที่มีไม่มองสิ่งที่ขาดหรือไม่มองสิ่งที่หรือถ้าพูดหมายคือมองสิ่งที่ดีไม่มองสิ่งที่เสียก็ได้ น, นี้คือการมองบวกเหมือนกันนะถ้าคนเราเนี่ยเวลาเจอความผิดปกติความบกพร่องเนี่ยจํานวนมากเลยจะจดจอ่อ จดจ้องคุ้นคิดอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เสียไปจนลืมมองสิ่งที่ดีๆสิ่งดีๆที่มีอยู่อันนี้เรียกว่าคิดลบนะคิดบวกคือว่าไอสิ่งที่ไม่ดีมันจะมีมากน้อยแค่ไหนฉันก็ไม่สนใจร่างกายฉันจะพิการตรงไหนฉันไม่สนใจฉันจะสนใจสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันยังทางานได้ เป็นเพราะคนเราคิดลบเนี่ยนะเราถึงมีความทุกเวลาเงินหายของหายเพราะเราจะจดจ้องอยู่แต่ของที่หายเงินที่เสียไปทั้งที่ของที่เรามีก็มากมายกว่าสิ่งที่เสียไปนะแต่เราไม่มองสิ่งที่มีอยู่เราเลือกที่จะมองสิ่งที่เสียไปเราก็เลยทุกเนี่ยทางที่สิ่งที่เสียไปนี่มันมันน้อยนิดมาเมื่อเทียบกับสิ่งที่เรามีอยู่ งั้นถ้าเราจะมองบวกนะเราเสียเราเสียไปเท่าไหรเราก็ไม่ทุกนะเพราะเรารู้ว่าเพราะเราเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากอันนี้จะเราเป็นการมองปัจจุบันก็ได้นะการมองการอยู่กับปัจจุบันคือการให้ความใส่ใจกับสิ่งที่เรามีอนสิ่งที่เสียไปแล้วสิ่งที่หายไปแล้วเราก็ช่างมันนะไม่เอามากังวลเพราะนั่นเป็นอดีตไปแล้ว นะสิ่งที่เสียไปสิ่งที่สูญหายไปเป็นอดีตไปแล้วไอสิ่งที่เรามีอยู่ต่างหากที่มันเป็นปัจจุบันนี่คือความหมายของการอยู่กับปัจจุบันการมองบวกเนี่ยถ้ามองแบบนี้ก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขกับปัจจุบันได้ไม่ยากนะและทำให้เราเนี่ยสามารถจะเจอเวลาเจอความทุกเนี่ยเราก็ไม่ทุกง่ายมีผู้ชายคนหนึ่ง เป็นคนที่มีน้ำใจมากนะชอบไปช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ในชนบทก็มีคราวหนึ่งก็ชวนนักศึกษาไปช่วยนะทำค่ายนะช่วยเหลือเด็กชนบทในภปยแม่ห้องสอนก็พอทำค่ายเสร็จก็นั่งนั่งรถกลับตัวเ้านี้ก็ตั้งใจจะไปแม่สอดต่อ ในตอนที่ลูกขากรรมนี่ก็ขึ้นรถรถมันก็ลงลัดล้อตามตามไหลเขานเะพราะมงครับมองสอ น, นีโค้งเยอะอยู่แล้วนะปรากฏว่ารถเกิดพลาดตกลงมาจากถนนลงเหวในตอนที่ล่วงลงเหวนี่เขาก็ภาวนาว่าขอให้ทุกคนปลอดภยัยปรากฏทุกคนปลอดภัยมาเลยยกเว้นเขานะเขานี่เจอกระแทกนะักเลยเป็นอัมาพาตตั้งแต่ เอลลงไปนะเอามาพาดครึ่งตัวเ <_ EN> พื่อนที่ไปเยี่ยมเขานี่ก็เสียใจสงสารเขาว่าเนี่ยก็มีบางคนพูดเนี่ยทำไมทำความดีถึงต้องมาเจอแบบนี้ไอ้คำพูดแบบนี้เราคงจะได้ยินบ่อยนะ <_ EN> บางคนไปทอดกระดิ่งทอดพระป่าแล้วประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยเ <_ EN> พื่อนของเขาก็พูดแบบคล้ายๆกันเลยว่า ทำไมทำความดีจึงต้องมาเจอแบบนี้เขาก็พูดให้กำลังใ จ, ใงใจเพื่อนนะให้ได้คิดอีกแง่หนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยก็ เ, เพราะทำดีเสีนะถึงรอดมาได้ขนาดนี้นะคือรอดมาได้ครึ่งตัวอันนี้เาเรียกว่าเป็นการมองบวกนะแทนที่จะมองว่าฉันเสียนะฉันฉันพิการไปครึ่งหนึ่งเขาก็ัมองว่าเออฉันยังมีร่างกายที่ยังทำงานได้อีกครึ่งหนึ่ง เขาไม่มองว่าเขาเสียนะแต่เขามองว่าเขายังมีร่างกายที่ทํางานได้ครึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับผู้หญิงไต้หวันคนที่ว่าเนี่ยคือไม่มองสิ่งที่ขาดนะแต่มองสิ่งที่มีคนเราถ้าถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะมันก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ได้ง่ายนะกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะว่าถึงอย่างไรเราก็ยังมีอะไรต่ออะไรอีกมากมาย แต่ถ้ามองไม่เป็นนะมองแต่สิ่งที่ขาดมองแต่สิ่งที่ไม่มีนะหรือมองแต่สิ่งที่เสียไปนี่ถึงแม่ได้โชคลาบมาก็ทุกนะได้โชคลาบมาก็ทุกนะมีเพื่อนตมาเนี่เป็นเป็นนักเล่นหุ้นนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มวางมือแล้วแต่เมื่อหลายปีก่อนก็เป็นนักเล่นหุ้นที่เก่งมากวันนึ่งก็ไปเจอคุณป้าที่ตลาดหุ้นคุณเป้านี่แกไปตลาดหุ้นทุกวันนะอาชีพแกนะซื้อถูกขายแพง คุณป้าแกก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อสองสามันก่อนเนี่ยขายหุ้นไปตัวหนึ่งนะได้ไรสิบล้านบาทกําไรนะเฉพาะกาไร10ล้านบา ท, าาบาทเพื่อนตามาก็เลยบอกว่าเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้าแกก็พูดขึ้นมาเลย ว, ว่ายินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันก็ได้กำไรแล้ว20ล้านได้10ล้านนี่แต่ไม่มีความสุขนะกลับเป็นทุกขนะ์วันรุ่งขึ้นคุณป้านี่ก็ไม่หมายที่ตลาดหุ้นเหมือนเคย เพื่อนตมาเลยไปถาม Market ็ตตว่าพ่อหายไปไหนก็ได้คําตอบว่าไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเดาได้ไหว่าเขาเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรเพอเครียดนะเครียดที่ได้แค่สิบล้านกําไรแค่สิบล้านจริงๆแล้วเนี่ยคุณป้าคนนี้เนี่ยแกแกไม่ได้มองว่าแกได้สิบล้านนะแกมอว่าแกเสียสิบล้านแกหมอว่าแกเสียสิบล้านนะไอ้สิ แนทนจีได้ยีสิบล้านก็ได้แค่สิบล้านเนี่ยแกไม่ได้หมอแกได้นะแกมองว่แกเนะสียเสียสิบล้านนี่ก็เลยทุกเลยทั้งที่ถ้ามองให้ดีเนี่ยได้สิบล้านนะถ้าแกมองว่าแกได้สิบล้านนี่แกไม่ทุกหรอกนะเพราะว่ามันยิ่งกว่าถูกลัตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งอีกแต่เป็นเพราะแกมองว่าแกเสียฉันน่าจะได้ยี่สิบนะแต่ว่าได้แค่สิบเห็นไหมว่าถ้าเรามองไม่เป็นเนี่ย แม้จะได้โชคได้ลาบมานี่ก็ทุกได้มันอยู่ที่มุมมองของเราเนะอยู่ที่ว่าเราจะฉลาดในการมองหรือเปล่าคนเราก็แปลกนะระหว่างได้กับเสียเนี่ยทั้งที่มันมีความหมายเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะรู้สึกกับความเวลาพูดว่าเสียก็เคยมีการทดลองนะว่าให้คนให้เงินคนไปห้าสิบห้าสิบาทนะ จะจึงไม่ใช่บาปเป็นเงินปอนห้าสิบปอนให้ทุกคนคนละห้สิบปอนเอาอาสาสมัครมาแล้วก็ยื่นเงินให้ห้าสิบเสร็จแล้วก็บอกในภายหลังว่าคุณเก็บยี่สิบนะแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะบอกว่าคุณคืนสาสิบนะกลุ่มแรกเนี่ยบอกว่าคุณเก็บไปยี่สิบอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าคุณคืนไปสาสิบ ไอ้คนที่ได้รับที่ได้รับคําสั่งว่าให้เก็บไปสาสิเนี่ยให้เก็บไปยี่สิบเนี่ยเขาแฮปปี้มากเลยแต่คนที่คนที่ถูกบอกว่าให้คืนสามสิบนี่เขาทุกเลยนะทั้งที่ความหมายก็เหมือนกันนะความหมายเหมือนกันก็คือมียี่สิบเขาเก็บเอาไว้นะแต่คนเราเนี่ยเวลาพูดคำว่าเก็บยี่สิบเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกดีกว่าความกับที่บอกว่าคืนสามสิบ หรือว่าเสียสามสิบทั้งที่ความหมายเดียวกันนั่นจะว่าไปคนเรานี่นะมันก็วัยนะวัยต่อความการสูญเสียมากนะอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมคนเราเนี่ยไม่สามารถจะคิดบวกได้เพราะว่าเราเราใส่ใจแต่สิ่งที่มันเสียเราจะจดจ้องกับสิ่งที่เสียเราจะยึดติดกับสิ่งที่เสียสิ่งที่สูญไปมากกว่าที่จะหันมามองนะสิ่งที่เราได้มา แต่ของไม่ น, นี้ฝึกได้นะและถ้าเกิดว่าเรามองแบบนี้เป็นยังไงทำให้เรามีความสุขง่ายนะเราจะมีความสุขกับปัจจุบันได้ง่ายนะเพราะว่าเราจะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีสิ่งต่างๆมากมายที่ดีๆอยู่เป็นแต่เรามาักจะไม่ค่อยมองนะไม่ค่อยมองสิ่งที่เรามีเท่าไหร่ เราจะให้ความสำคัญหรือว่าจดจ่อกับสิ่งที่เสียไปหรือไม่เช่นนั้นก็จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ยังไม่ได้ลองคิดดูดีๆนะคนเราเนี่ยนะทุกขกับการที่เสียไปกับทุกขกับการที่ไม่ได้มามากกว่านะหลายคนนะเป็นทุกขนะ์กับการที่ไม่ได้สมาร์ทโฟนหรือว่าไม่ได้รถคันใหม่หรือว่าไม่ได้นั่นไม่ได้นี่ ถ้าเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรายังไม่มีเราก็ทุกข์ถ้าเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราเสียไปเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราหันมาใส่ใจกับสิ่งที่เรามีถ้าเรารู้จักมองแบบนี้เนี่ยเราจะมีความสุขได้ง่ายอานจะว่าไปแล้วเนี่ยคนเราที่ทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ไม่รู้จักที่จะหันมาชื่นชมสิ่งที่เรามีในปัจจุบันนะไอ้สิ่งที่เสียไปเปนเป็นอดีตสิ่งที่ยังไม่ได้มามันคืออนาคต นะทําไมเราไปจดจอ่ออยู่กับอนาคตและอดีตจนกระทั่งมองข้ามปัจจุบันไปในเมื่อสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะมันก็ควรจะเป็นของดีทั้งนั้นเป็นของที่มีประโยชน์คนเราจะพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เนี่ยนะก็ต่อเมื่อเรารู้จักชื่นชมปัจจุบันหรือว่ารู้จักจดจอ่ออยู่กับปัจจุบันถ้าเรามัวแต่มัวแต่นึกถึงอนาคตนะ นึกถึงสิ่งที่เรายังไม่มีนะสิ่งที่ยังไม่มีคืออนาคตนั่นแหละเราก็จะไม่มีความสุขเลยเพราะเราจะรู้สึกว่าเราขาดโน่นขาดนี่ตลอดเวลาคนทั้วันนี้มีเท่าไหร่ก็ทุกข์เพราะว่าเขามองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีมีเงินร้อยล้านก็ทุกข์นะเพราะว่าเห็นว่าตัวเองเนี่ยน่าจะได้มากกว่า น, นี้อันนี้คือทาคือเหตุว่าเป็นส่วนที่ทำให้คนเราเมีความโลภ นะมีความอยากได้ไม่หยุดหย่อนเพราะว่าได้เท่าไหร่ก็ยังรู้สึกว่ายังขาดโน่นยังขาดนี่ไปนะอยากได้อีกคันได้ไมาแล้วก็ยังเห็นว่าตัวเองยังไม่มีโน่นไม่มีนี่ก็อยากได้อีกนะเพราะว่าจิตเนี่ยมันมองแต่มันมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดเสมอแต่ถ้าเราถ้าเรามองสิ่งที่เรามีอยู่เสมอถ้าเรารู้จักมองสิ่งที่เรามีความรู้สึกขาดก็จะหายไป ถ้าเมื่อไม่มีความสึก ข, ขาดในความรู้สึกอยากได้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ลองพิจารณาดูดีนะความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรามองเห็นแต่สิ่งที่เรายังไม่มีซึ่งส่วนหนึงอาจจะเกิดจากการไปเปรียบเทียบคนโน้นเขามีแต่เราไม่มีคนโน้นเขามีเราไม่มีทั้งที่ไอ้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่มันก็เยอะแยะไปหมดแล้วนะเด็กเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนียเน่ยเขาถูกประเหตุ น, นี้ เขามีเยอะแยะแต่เขาก็ยังทุกข์เพราะเขาเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีส่วนผู้ใหญ่ก็จะทุกข์นะไม่ใช่เพียงเพราะว่ารู้สึกว่าตัเองขาดไม่มีนั่นไม่มีนี่เท่านั้นนะแต่ยังรู้สึกว่าเราเสียโ น, น่นเสียนี่ไปถ้าตดจ่อแต่สิ่งที่เสียไปหรือจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ยังไม่มีนี่จะหาความสุขไม่ได้เลยไม่ว่าจะได้อะไรมามีมากแค่ไหนความสนุกความรู้จักพอนะ มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราหันมาชื่นชมสิ่งที่เรามีในปัจจุบันนะจะไปอ้อน อ, อ่อยอิงอยู่กับสิ่งที่เรายังไม่มีหรือว่าอย่าไปหมกมุ่นคุ้นชีกับสิ่งที่เราเสียไปนะอันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยสตนะิในการฝึกนะพอถ้าเราไม่ไม่มีสติใจเราก็จะแว บ, บไปนึกถึงสิ่งที่เราเสียไปเดี๋ยวอีกสักพักก็ไปนึกถึงสิ่งที่เรายังไม่มีเกิดความอยากได้ขึ้นมา อันนี้ก็เป็นแง่คิดนะที่อยากจะให้เราพิจารณาในการที่จะ เ, เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ว่าในยามที่ประสบทุกข์หรือว่าได้โชคมาอาลักคำนี้ก็พูดกันเท่านี้กับพรบ